รังธรมบอกกันสอนกันบอกให้ทาสอนให้รู้รู้แล้วออกไปทาเรามีกายเรามีใจให้มีสติเป็นครูของกายของใจให้เรียน กายใจให้เรียนรู้จากครูคือสติคือภาวะที่รู้สึกระลึกได้ใช่กายใช่ใจให้มีระเบียบวิในให้เป็นธรรมก็มีประโยชน์เกิดขึ้นที่กายที่ใจใช่กายใช่ใจไม่มีระเบียบวินัยไม่มีสติ ก็ไปเกิดความเป็นธรรมกายใจก็มารับความเป็นธรรมเป็นทุกข์เป็นโทษต่อกายต่อใจอต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่อคนอื่นเป็นผลกระทบไปกลเราจึงมาหัดฝึกหัดไม่ใช่มาเรียนรู้โดยวิชากรรมาฐาน วิธีฝึกหัดกายใจคงเส้นคงวาถ้ามีวิธีฝึกหัดวิชากรรมฐานจะคงเส้นคงวาจะเข้าแบบเข้าแถวเขากรอบเข้าพิมพ์จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอะไรอะไรมีแบบนี้แผนทั้งนั้นแบบของ กายแบบของใจถ้ า, ตามตูกเปิดบ้าเกิดผลเป็นพระขึ้นมาเป็นพุทธขึ้นมาเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นสังฆ ข, ขึ้นมาที่กายที่ใจนี่เราจึงต้องฝึกหัดเราไม่ได้สอนกันเรื่องอื่นที่นี่สอนกันเรื่องการมิจติไปในกาย ในใจเรื่องสอนอ่าเกิดขเขาเกิดสอนเยอะแจ่ไได้จบป ร, ริญญาหลายสาขาอันนั้นก็เป็นความถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องมดไม่จะจบอะไรมาถ้าไม่รู้ความทุดความจริงที่เกิดกับกายกับใจแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จังเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ ไอ้มันมีอะไรเจบเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์คามตายเป็นทุกข์วิธีศึกษาเรื่องนี้คือชิคขาคือถลุมเรื่องนี้ย่อยออกย่อยออกถ้ามันเป็นแบบเป็นแผนไม่มีสติไปในกายเป็นประจอม เป็นกายสภาวากายไม่ใช่สัตว์บุกคลตัวตนเราเขาอยากมีพบมีชาติกันคดิี่ายที่ใจเป็นจุกเนทุกข์เป็นจิเรตัญหาเพราะมีตามีหูจมูกจีนเป็นทววานสร้างรถของโลกขึ้นมาอย่าหลงรถของโลกให้มีธรรม มีที่อยู่เหมือนกับตายก็ให้มีบ้านใจก็ให้มีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยนี่สติดึงกลับมาโูบบ้านกายดึงกายกลับมาโูบบ้านดึงใจกลับมาโู่บ้านใจคือมันคิดทำให้ จิตพัดบ้านพัดถิ่นลับใช้ความคิดเกิดกิเลสตัณหาหลาคะคะเป็นความล้อความจรองเกิดไหล่วงแต่งขึ้นมาตาใจพัดบ้านพัดถินยังมีสติมาไ ว, ไว้วๆจะเกิดอะไรขึ้นกับกากับใจ มีสติมาไวหวัยรู้จักตัวรู้จักตัวรวมรู้จักตัวก็เรียกว่าไม่ต้อนรับไม่มีที่ให้อาศัยไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจมีแต่สติมารู้จักตัวซะรวมหลงก็มารู้จักตัวซะ ความทุกข์ก็ให้มารู้จึกตัวซะความปด ก, ก็ให้มาลุจจึกตัวซะอะไรที่มันเกิดขึ้นกว่ากับใจให้กลับมารู้สึกตัวซะวันเฉ่งเจ้ช้ำนี้ช้ำดานถ้าให้หลงเป็นหลงให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้สุกเป็นทุกท ก, ก, ท ก, ก็ไม่ช้ำดาญในความลุจจึกตัวไ ม, ม่ไม่ชอบจริง เราจึงต้องฝึกจำเป็นต้องฝึกฝึกเขาเองหลงเองก็ต้องรู้เองทุกเองก็ต้องรู้เองมันมีอะไรที่ทําให้ฝึกหัดยเยอะแยะเกิดจากกายจากใจนี่ทําให้ได้ฝึกได้สอนตัวเองได้บอกตัวเองได้หัดตัวเองหัดกายหัดใจให้มีความรู้จักตัว ทุกลูกทุกแบบทุกกรณีถ้าหัดเป็นแล้วมันก็มาต้องหัดหัดมันเป็นหัดกายหัดใจหัดได้หรือหัดได้ถ้าไม่หัดก็หลายเรื่องหลายหลาที่เกิดกับกายกับใจเิเลสก็ฟันห้าทั้หาก็ร่อยแปด ก็มีสติจะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มันเกิดกับวากกับใจนี่จะได้สับมันแหลกซะขึ้นเขียงซะสิงไหนไม่ดีเช้นสมมาสมาธิขึ้นเขียงเลยเพราะละกามเสียด้เพราะละกามเสีย ด, ด้ ผูเจ้าสอนกัรแรกเทนสนากันแรกเอาขึ้นเฉียงเลยกาโมสุขันนิาโการโยโคอัฏฐะจิวธาฐโยโคมาเชมมาปฏิปาทาชี่ไปเลยเนี่ไม่ไม่ออบแอบบ อ, อกตรงๆไปเลยพอที่จะรับได้ปัญจวัคคีย์ผู้ฝ่หาความบริสุทธ พร้อมเป็นพุทธะงอกอย่างเงนไม่ได้โดยเพราะอัญญาโก น, น, นัญญาหน่โคนัญญานี่เป็นผู้ทำนายลักษณะของพระสิทธะเก่งมากกลัวพรามทั้งหกคนว่าจะได้ออกบวดจะได้ตัดชลูเป็นผู้เจ้าทำนายอย่างนี้ก็เชื่อมั่นอย่างนี้ พาลูกของผามที่เป็นสหายที่เป็นเพื่อนกันออกมาบวชติดตามนี่จดทาเรื่องนี้จะได้ตัดสรลูเป็นผุที่เจ้าเจ้าจึงเมื่อได้ตัดสรลูแล้วจึงมาบอกคนจำนวนห้าคนนี่ไม่อ้อมแรมขี้ตรงๆไปเลยขึ้นเขียงไปเลย เหมือนนายแพทย์ตรวจโรคตรงต่อโรคไปเลยไม่เอาอเดินมาใส่เสียเวลาโรคมันจะกําำลิบปัะการมาสุขันนีการโยโคหนีหนูกโพบปฏิเชโนอุตุชนชนิโยอนาริโยเป็นของเหลวเป็นของ จอมจอมไม่ใช่ของพระเดีือเจ้านอนอย่าดำเนินทางนี้อย่าไปใช้กายใช้ใจในชิดนึกทางนี้ตัดไปเลยอัตถายุทธโยโคขระหมานตนเรื่องอื่นทางสองเช่นไม่ควรเดินทางชี้วิถี การปฏิบัติคือชี้อา น, นิบัตควิโกมก์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกภาพ ส, ส, สัมมาวาจะสัมมาชีวะสัมมากรรมฐานสัมมาวจามาสัมมาจจติสัมมาส ม, มาธิเกียงเลยบวโช่เลยอยู่ที่ไหนจริงหรอเนี่ยอยู่ที่คนเราเนี่ยสัมมาทิฏฐิไม่ความเห็นเห็นอะไร เห็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์สิ่งไหนเกิดเป็นทุกข์อย่าลีลีโลโ ล, ลเห็นตรงหน้ะตรงตาต่อหน้าต่อตาให้ต่ อ, ตตอหน้าตตาเรื่อต่อให้มันตรงนี่สิ่งไหนเป็นทุกข์อย่าหลบหลีกไปอยู่ตรงลงไปมีสติลงไป ม่วมีทุกข์มันต้องเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือหน้าเก่าของมันแต่เลยเพราะอะไรมันจึงทุกข์มันจึงอะไรเพราะมันหลงรู้จักตัวกันมาเอตที่มันหลงมันจึงทุกข์เหยวที่มันหลงมันจึงเกิดผลเป็นทุกข์เป็นจิเลตัญหากลับมารู้จักตัวก็ับมารู้จักตัว ชักสะพานมารู้จักตัวไม่โทษสะพานประธานอื่นไว้ให้กายให้ใจรับใช้อันอื่นให้รับใช่ความรู้จักตัวนี่ให้ฝึกอย่างนี้ให้มีโอกาสทำอย่างนี้วิชากรรมาฐานเพื่อฝึกดั่งนี้ทุกวินาทีให้รู้เรื่องนี้สอนเรื่องนี้ก็เราก็อยู่กันในความหมายเช่นดีที่อยู่เช่นนี้ก็พ่อให้ทำเรื่องนี้ถ้าทำเรื่องอื่นไม่ถูกต้อง เราช่วยกันให้เกิดความการกระทำเรื่องนี้เป็นสีพืวนร่ำให้เกิดการทำเรื่องนี้วีวิตของเราที่อยู่ร่วมกันหาดินก็เป็นโอกาสแล้วหาเขาเล่นเบาภาั่ปีวิเวกได้การวิเวกได้ อย่าให้มีเฉงเงินมาลบกวนเป็นอิจฉะสวนตัวได้ใช้ชีวิตสวนตัวได้ใครเบียดเบียนการแสดงว่าไม่ถูกต้องให้หมดเป็นคนที่ผิดก็มีก็อย่าไปเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดเอาผิดเอาถูกไปทั้งหมดอันนั่นก็มาดีอันนี้ก็มาดี ที่โน่นที่บ้านที่เรือนนั่นก็ยังไม่เ็ดนี่ก็ไม่เ็ดอย่าอ้นนั่นมาเป็นเชนขี้วัดให้ความคิดไปรับใช้ทำไม่เ็ดก็เกิดความคิดทําเฉดก็เกิดความคิดบางทั้งที่มาแล้วมาแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงเดี๋ยวนี่ทำยังไงเลยลูกจิกตัวนี่เวลานี่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงเหมียถึงใครที่ไหน รู้จักตัวนี่รู้จักตัวนี่เพราะชีวิตของเราเคยรับใช้เคยไปทางนั้นเคยเดินทางนั้นมาก็สนุกดีล่ะตอนนี้เมื่อฝึกตัวเองเนี่ยไม่มีสติเนี่ยจะโต้อตอบทักท้องเจีย ง, งนี่บ่อยๆโดยเฉพาะเกิดจากความคิดครับ เอ okay. าให้ความคิดไปรับใช่ความคิดฮะองตอบจากความคิดวุ่นวายไปหมดเลยเอาผิดเอาถูกบางทีก็ที่ผิดก็ยังมาผิดอยู่แล้ทั้งที่ถูกอยู่ตอนน้าก็ไม่ทําเอาความผิดมาทำเอาคิดซะเอาความทุกมาคิดซะเอาความฉุกมาคิดซะ วามไม่ถูกไม่ทุกข์ก็รู้สึกตัวนี่ไม่ทำไรปล่อยตัวเองทิ้งจ ะ, ะงสะดุดเลยถ้าดูดีๆนะกระโดดตรงนี้ตื่นตรงนี้วัวมันหลงพิดนี่ไม่รู้มาไวฝืนมาจะจะได้พลังตัวนี้มากที่สุดตื่นความคิดนี่ตื่นมากกว่าตื่นหนูถืนช่างตื่นเสือ พราะมันเปนต้นตอของโลกรสชาติของโลกทุกรสทุกชาติเกิดจากความคิดสันทวารของกิตของคิดนี่บาเป็นทางจิตก็คือศอนนี่สอนตรงนี้การที่ไปฉอนจิตตรงนี้ต้องมีความพร้อมพอสมควรฝึกไว้แล้วว่ามีสติภายในกายหัดไปแล้ว ที่เจ้าถิ่นอยู่นี่แล้วเหมือนเงินอยู่กับมืออล้รอยู่กับมือใช่ได้เลยถ้ามีอยู่นี่มีอยู่นี่เพื่อนไหวไปมาอยู่นี่โตสามารถจะโตตอบตอบท่วงจิงที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยเอาไม่ได้ม่แต่วางแต่วางถ้าทำให้มันถูกต้อง ทางของกิจหวางปล่อยหวางปล่อยหวานมาใช่เอชุบอัดทุกข์อัได้อัเสียปอยหวางแต่ทางของกายต้องดูแลดูแลดีๆให้มันถูกต้องเกี่ยวกับกายหลายอย่างเอากําลัางกายสม่าเส ม, มอใี้สติไปในกายสม่าเส ม, มอ ป็นอาหารให้เลืจักเลือกรู้จักกาลเทศะอย่าเอาลดมาเป็นสิ่งที่ตัดสินเอาความถูกต้องความาปลอดภัยเส้นผักให้มากกว่ากินเนื้อเอาต่างๆพทุทธานก็รู้แล้ว เรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันอาหารทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจสัมบูรณ์ลงถ้ามีสติก็จะเกิดสัมรวมลงมาเองอายตระหนักก็จัดสัมรวมลงมาอินทรีสติมันใหญ่กว่าตาหูจมูกเล่นกายใจมันเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเล่นกายใจ มมีวิญญาดมันรูวลายรด้งไปไม่มีไอวิธีไหนที่จะสู้กับเจียงเหล่านี้ได้นอกจากความรู้จึกตัวเรียกว่าอินทีสติอินทีคือตัวใหญ่กว่าตากว่าหูสติอินทีใหญ่กว่าตากว่าหูใหญ่กว่าูปกวลดกวกลิ่นกว่าเสียง แล้วก็ปลอดภัยมีประโยชน์เราก็ใช้กายใช้ใจใช้ตาใช้หูถูกต้องเป็นมือเป็นไม้ของสติสติเอาตามาใช้เอาหูมาใช้แเรายังไม่ฝึกเนี่ตาหูมันจะหมกหรือยังกาจะมันใช้เราต้องหาเหยื่อห า, อาหาในมันกินกินอารมณ์ไม่ได้คินอะไร นอนก็ชิดนั่งก็ชิดคิดขึ้นมาเป็นฉุกเป็นทุกข์นั่นแหละอาหารของใจของอารมณ์ใจก็ยินอารมณ์ไม่ดีเปิดโลกเกิดจิตเรตั้งหนมาได้อาหารทางใจนี่มันเป็นธรรมสจะ อ, อินซีจะต้องจับเลือกใช้ตาใช้หูเป็นเครื่องมือให้เกิดอาหารทางใจมารวมลงที่จิตใจ จะเป็นเรื่องดีหลงคือรู้ทุกข์คือรู้สุขคือรู้โสดพอใจไม่พอใจคือรู้ปล่อยแปดสภาพเป็นเรื่องไร้ไปเป็นเรื่องดีมาไล่เป็นดีหมดก้มีสดใช้สิเนี่ยต่อไปะจะสะดวกเพราะวีผิดมันจะไม่ถูกเพราะมีอะไรมันจะเกิดไม่มี จิงที่ไม่มีได้ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาจิงที่มีแล้วหายไปไม่กำเริบอีกนี่สิงที่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมามันเ ท, ท่นที่เมื่อมีความรู้จักตัวความดีเกิดเ ท, ทืนที่ความชั่วมากมายหลายอยา่าง เกิดจอดกระฉินขึ้นมาชีวิตของเราไม่มีค่าถ้าใช่ถูกก็มีค่ามีประโยชน์วิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบไหนดีทั้งนั้นถ้าปึกกันมันใช่คนนั้นเป็นคนชั่วคนนี้เป็นคนดีอ น, นั่นเป็นโลกของโลก ความดีความชั่วไม่มใครรู้ตัวเท่ากับตัวเราถ้าเราไม่ฝึกหลไรมันก็รูอ้อจากต่างเก่าความต่างเก่าจากที่เพื่อหัดมา ก, กับที่เคยเป็นมาอาจากคนเราพบรสชาติเนี่ยเหมือนต่างเก่ามือนเก่เอาเหมืนเก่าไม่ได้เช่นครื่งหลง ได้เด็ดขาดเด็ดขาดความทุกข์เด็ดขาดความโกรธเด็ดขาดความโลภเด็ดขาดไม่เบียดเบียนตนเองเด็ดขาดไม่เบียดเบียนคนอื่นเด็ดขาดถึงอื่นวัตถุอื่นเด็ดขาดมันเป็นความเด็ดขาดทำไม่ได้เด็ดขาด มันจึงเปลี่ย น, นพ้นภาวะเก่าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือพ้นภาวะอันเดิมเปื่อนฐานะได้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์นั้นประชดประเชดแต่ก่อนไม่เป็นคนถ้ายังไม่ฝึกเป็นคนคุมร่ายคุ่มดีตูฟูแฟ บ, แบไม่คงเช่นงองว่า บันนี้ฝึกได้มันเป็นมนุษย์มันโครงเส้นของบา่ามันสูงขึ้นมากวาเก่าตอนเดื่นมันอยู่ต่ำๆวันนี้มันสูงขึ้นมามันจะรับใช้ความต่ำไม่ได้จกปกไม่ได้เหมือนเด็กน้อยจนขี้โคลนว่าเม ดึงฉขนไปมาอยู่เห็นคนหนึ่งนอนอยู่ที่โคนพราแม่วุ้งอยู่เปืนลลงดึงไมอ่อยู่ปล่อยปล่อยปล่อยมันแม่ก็เจอยายก็เจอช่วยแรงเด็กน้อยไปเลยเป้ลลื่นไปเลยต้งไปเลี้งที่โคนเขียยที่โคนตกไเรียกคนอื่นมาช่วยเอาขึ้นมา น, นี่เป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะมาเรื่องอย่างนั้นใจ ห, หลงใอ้ทุกข์ไอ้โกรธทั้งจิตเลยจันหาเกิดขึ้นมาได้บริสุทธิ์ปรมัจ จ, จ, จ, จ, จ, จ, จจันทร์ความสะอาดหมดจดจากเครื่องเส้นสมองพระพรหมจันทร์บัวพืชพรหมจันทร์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งจิจตใจจากกรรมการกระทําไม่เปื้อนวหมืนอน อาจจะไม่ต้องห่มว่ากี่วอนก็เป็นมมวจันได้ผมผ้าสีไหนก็เป็นม่วปจันได้ชีวของคนเราอันเดียวกันถูกต้องอันเดียวกันผิดอันเดียวกันไม่ใช่คนระอย่างความผิดถูกอันเดียวกันนี่ไม่ใช่เพศใช่วัยใช่ระดีนี่กายแก่หนุ่มคนเท่าคนแก่คนหนุ่มมันตปนความอันเดียวกัน เจแก่ก็ทำได้คนหนุ่มก็ทําได้ไม่มีอ้างแตอ้างไม่ได้สิทธิเรื่องนี้เป็นสากลเป็นความชอบธรรมไม่ชิดที่จะไม่หลงได้ทุกขีวิตทุกลูกทุกนามไม่ฉิดไม่ทุกได้ทุกลูกทุกน้ำไม่ฉิดไม่โกดได้ทุกทุกทุกน้ำ มีชิดไม่เบียดเบียนกายใจมีชิดไม่บีบเบียนคนอื่นมีชิดอนชอบทำที่สุดคือธรรมะความโกรธไม่ชอบทำความไม่โกรธชอบทำความทุกข์ไม่ชอบทำความไม่ทุกข์ยังชอบทำเป็นธรรมที่สุดยังแค่ชี้หรือรอยเปเซ็นในการในใจนี้เป็นธรรมะทิ่ปไตย มีความเป็นธรมเกิดขึ้นที่การที่ใจก็เป็นโลกาที่ปไตยเป็นประโยชน์ต่อโลกปฏายประโยชน์ต่อการต่อใจโลกาที่ปไตยประโยชน์ต่อโลกธรรมที่ปฏายประโยชน์ต่อธรรมเปิดกวมเป็นธรรมขึ้นมาในความไม่เป็นธรรมทุ ก, ท, กทุกแบบประโยชน์ต่อ ศาสนาคือกายคือใจนี่เป็นตัวศาสนาสอนขายสอนใจนี่คือสารสอนคือคำสอนของศาสนาเราจึงต้องจะเอาอื่นมาอ้างเลยเพราะอย่าอ้างถ้า อ, อยู่ที่นี่เอาส่วนตัวเช่ก่อนหนึ่งหน้าที่หนึ่ง หนึ่งวินาทีให้เป็นชีวิตส่วนตัวเอาให้เต็มที่ทุกๆวินาทีให้เต็มทมมมมี่เรื่องนี้แม้จะมีสึงอื่นมาแล้วก็มีสิทธิเรื่องนี้มีระเบียบให้ทําอย่างนี้แล้วมาใช่แบบว่าเข้าแบบกันแบบของเรามาทําอย่างนี้ถือว่าถูกต้องถ้าทำอย่างนี้ก็ถือว่า เป็นอันเดียวกันหมดพวกเราอยู่กันจนํานวนมากนี่เหมือนกันหมดทุกชีวิตถ้าเป็นแบบเดียวกันนี่แต่คนละแบบเอาผิดเอาถูกคนละแบบมันก็สวนทางกันไปแต่พฤ้นตะพื้นไปยากไม่ไปทางเดียวกันแบบของความถูกต้องเหมืนแบบไปทางเดียวกัน เดินเท่เดียวกันไปสู่ที่เดียวกันถึงที่เดียวกันได้ทุกชีวิตแต่ว่าต้องไปเอาเองคนอื่นเอาไปไม่ได้คนอื่นเอาไปไม่เป็นแบบแบบที่เป็นปรมา จ, จักรไปได้เฉพาะชนตัวยังหัดตนสอนตนอย่าอาศยคนอื่น มากเกินไปเอาใส่ครูอาจารย์เข่งคัดกับครูอาจารย์คําสอนของครูอาจารย์เอาแบบนั่นแบบนี้ครูของกายของใจคือความรู้จึกตัวนี่เป็นครูที่จุดแล้วเนี่ยถ้าเรามีมความรู้จึกตัวเป็นครูก็แสดงว่าเราเป็นลูกฉีดทุกคนทุกคู่ทุกคนในโลกนี่ เราต้องทนมตัวเป็นลูกศิษย์อยู่เสมอเป็นศิษย์อยู่เสมอที่มีครูอยู่เสมออย่าหัดเป็นครูคนไม่เป็นลูกศิษย์คนอล้วที่เป็นคือความรู้จึกตัวเนะี่ยถ้ามีความรู้สึกตัวจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดที่มีครูอาจารย์ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอาจารย์อยู่ยังไงก็ถือว่าไม่เป็นศิษย์ที่ดี ยังหัดจนสอนตนรวมลงมาให้น้อยกำมือเดียวรวมรู้สึกตัวไปในกายกายก็อยู่นี่รวมรู้สึกตัวไปในจิตใจจิตก็อยู่นี่ยกฟือขึ้นเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเลยทำความดีถ้ามีความรู้สึกตัวรู้สึกการเคลื่อนไหวก็ถือว่าละความชั่วทำความดีตามกิจใ้บริชุดแล้ว พอแล้วไม่ต้องไปทำอันอื่นแม่แต่ทาบุญก็ทําตรงนี้บุญเดินสาวสองคือเอาเรื่องนี้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนี่จะเกิดบุญแท้ๆเลยมันก็เกิดที่กายที่ใจของคนนี่คือรูปที่ น, านํานี่ความดีเกิดที่นี่แล้วอันบุญออื่นมาให้กันโน่นหน่อยช่วยให้นี่มาช่วย หวังลมลมแรงแรงพรุง่รงนี้ก่อนเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนไม่มีหร <c oughs> อกเดี๋ยวนี้แหละจริงแะเนี่ยพรุ่งนี่ก็ไม่เห็นเดี๋ยวนี้แลหละเห็นเดี๋ยวนี้แหละวานก็ไม่เห็นเห็นเดี๋ยวนี้แหละถ้าเดี๋ยวนี้ดีอดีตก็จะดีอนาคตก็จะดี แต่เดี๋ยวนี้ไม่ดีอย่าหวังอะไรอดีตก็จะไปอะไรอวร์ไม่ประโยชน์อน า, าคตก็ยังไม่หมายถึงอยากกังวลความกังวลในอนาคตอะไรอวรในอดีตเป็นความบ้าของชีวิต จ, จิตใจอันนะไรขวาราบเหลวไม่ใช่ของจริงเอามาใช่เป็นสิ่งที่ย่องสา ย, ย่อมใยของตนเอง เดี๋ยวนี้คือของจริงเลน่มีสติร้องไยอาศัยกายใจนี่สร้างความดีขึ้นมาคนอื่นให้เราไม่ได้คนอื่นจะช่วยเราไม่ได้จริงๆกายใจเนี่ยเราจรึงต้องห้มกับหลังช่วยกันได้ให้มันสุดฝีมือออกู้เคนไวเพราะมันหลงที่เด็โอ้ย รู้จักตัวเหมือนแม่นแล้วถูกแล้วทุกที่ใด้รู้จักตัวเนี่ยใช่แล้วถูกทางแล้วถูกต้องแล้วก็จริงไหนที่ไม่ใช่สตินี่ยถือว่าเอาสก่อนเด็ดตรงเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาสติไว้ก่อนสติไว้ก่อนให้รู้ให้รู้เป็นาวานของชีวิตไปเลยสตเยิเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกน้อยสติเนี่ยถอยู่ในหัวในตาของคนรู้จักตัวจะจะเลิญขึ้นมา ในความดีเป็นมักเป็นฝนเคยขึ้นมาแต่กายต่อใจต่อรูปตัวนามนี่ทาได้อย่างนี้งานเห็นอย่างนี้ความหนุ่มไม่ถูกต้องจริงจริงู้จริงจริงความทุกข์ไม่ถูกต้องจริงจริงู้จริงๆิงความไม่ทุกข์ถูกต้องจริงๆริงจริงและเรื่องนี้เอาคอประกันแล้วก็ทําได้จริงจริงจริงบางบอกมาสอน เห็นด้วยเห็นด้วยครับพระพุทธเจ้าชุดหัวใจเรื่องนี้ไม่เชื่อใครอีกแล้วเชื่อพุทธเจ้าเชื่อคำสอนนำมาสอนกายสอนใจได้ทาอย่างนี้ศรัทธาเรื่องนี้มีความเพียรเรื่องนี้มีสติเรื่องนี้มีสมาธิเรื่องนี้มีปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดปัญญาเรื่องอื่น ไดยินไหมล่ะเนี่ยงั้ไปึงงนอนนะอ้าวหมดเชียงแล้วนะรับควรจะเปละ